จงมาดูจงมาดูเราจะไปหลับไปไหลทําไมในความหลงมีความไม่หลงในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ในความโกรธมีความไม่โกรธในความโลภมีควา ม, ม, วามไม่โลภแน่นอนมีจริงจริงอย่าปิดจย่ปิดบังงำแพงตัวเอง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 ปฏิบัติธรรมคนเดียวแค่ไขต้นด้วยตนเองเตือนตนตนเด่ดเงคนเดียวอยู่ในเสด็จดังอัสระอังสงังข์คนเดียวพิกษสูทั้งหลายผู้เจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่เราเอาเรียกร้องอะไรต่างๆคนนั่นไม่ช่วยคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีที่อยู่หรอก อย่างเราสวดวงคลนสูตรเสวนาจะพาระานังปันติตาราจะเสวนาปูชาจะโวเชนยะดัมมงเอตัมมังคะระมุตตมังคืออะไระอยากคบคนผานให้คบบัณฑิตโบชาคนที่คนโบชาคนผานอยู่ที่ไหนในกอในขอหรือไม่ใช่ไปที้คนนั่นผิดคนนั่นถูกหรือ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 พลังเดียวกันนะมาใช่ไปครบบันดีอยู่ประเทศนั่นว่างนี้ปฏิรูปประเทศสวาโสจุบเพมาใช่ประเทศที่ไหนอาจจะเป็นประเทศน้อยคควงสองจะวานาเคอมไหนมีมีหมดในชีวิตของเรานะแล้วก็มีภายนอกก็มีคนส่งคนสอนว่าเกาตักเตือนก็เป็นประเทศอันนั้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 ความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องเนี่ยความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้องเนี่ยความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องมันมีบาแล้วเป็นอย่างนี้จึงถูกต้องถึงไม่ถูกต้องไม่ให้คนอื่นตอบให้เราตอบเองเราไม่มีคาถามใคร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 ถ้าสองสาวกทั้งหลายก็รููเรื่องนี้เป็นส่วนมากดูเรื่องความไม่เที่ยงควา ม, มทุกข์มมกเรื่องรูปเรื่องกายาเรื่องรูปเรื่องนามไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจาแนกออกเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ไหนก็อ ย, อยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่กาวที่ใจเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่นี่แก้ปัญหาก็อยู่ที่นี่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 ไหนคืนวันเพ็ญเดือนหกมีสติอะไรเกิดขึ้นขณะที่มีสติมากมายตามพระสูตรต้องมีมาร์มีอะไรเกิดขึ้ น, นมันก็มีอยู่อย่างนี้แน่นอนแล้ ว, ลวเราขอมาท้าทายเรื่องนี้กั น, นอย่าปล่อยกันทิ้ง อย่าปล่อยทมที่เป็นกุศลทิ้งไปเป่าๆอย่าปล่อยทมที่เป็นอกุศลให้มันยิ่งใหญ่ในโลกมันสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้น่นาจะกระตือรือร้นอย่างน้อยต้องเอาตัวเองให้มันพุ้นไปเนี่ยจำเป็นที่สุดเวลามันหลงไม่หลงนี่จำเป็นมากนะเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์นี่จำเป็นเวลามันโกรธไม่โกรธจาเป็นต้องเปลี่ยน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 ออรียกร้องตาร้องตาร้อตาไม่หนักเมื่อเบามาลานแล้วหลายวันแล้วอยากกัน้นไว้น้ามันทรอันตายใช่ไหม <c oughs> มันทรมานตายอย่าไปกั้นนะอกั้นหนักกั้นเบาไม้ดีนะในผลก็ะทบต่อสุขภาพร่างกายบางทีปวดหนักก็เบาเฉยก็ทุกข์โอ้ยไปทุกข์เรื่องไ่ประโยชน์มันมีประโยชน์นรชนตรงนั้นนะ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 ถ้ามีเป็นเป็นถูกก็ไม่ต้องทุกข์จะช่วยกันเป็นการระยะมิตรการไปนีพากันไปมรรคไปผลเห็นคนหนังทุกข์ก็ช่วยกันให้เป็นเห็นคนหนังตกก็ช่วยกันให้เป็นต้องช่วยตรงนี้จึงจะเป็นสมรสดอมีพัญญากัน